ที่พูดนี่เข้าใจไหมกระถินปีนี้หมอเขาจะไปทอดกระถินเขาเห็นว่าโรงครัวมันจะลงใส่หัวทำไมเขาถึงต้องมาตั้งพระป่าวัดเราไม่เคยมีไปตั้งพระป่าที่ไหนนี่หมอเขาทอดกระถินเขาดำริทำ เ, <Aber S 1> เขาเล่าฟังเฉยแต่ยังไม่ได้รู้ว่าเขาจะไปซ่อมโรงครวัวโรงครัวนี่จะซ่อมมาหลายปีแล้ว แต่ทำมันต้องเปลี่ยนหมดเปลี่ยนหมดก็เป็นเงินล้านหัวล้านสักหนึ่งหัวก็ไม่มีมแต่เราก็มันเดือดร้อนดอก อ, อ้าว ไม่ลงไปอ่ะที่จริงอยู่บนนี้ก็ ม, กมะกระม่ดีแล้วนี่นะอ้าไปเอาไปไปไปอเอาไปลุกนั่งพวกนี้ต้องทำกิหลังเขาตลอดอ ขลภวะนี่มันเป็นธรรมเนียมในภาษาจบขลภาวะเรากพ็พูดนู้นพูดนี้ให้ฟังนิดหน่อยเสร็จแล้วก็ทอดทอดผ ป, ปาหรือจะสรุปไปตอนหลังทอดผ้าป่าอไปไเออหลังผ้าปาเลยเหลังผ้าป่าเลยลเลย <c oughs> นี่ยเนี่ยเนี่น เอาเอาง่ายๆเอาทําเอาขึ้นเอาน <dripping. S 1> ั่งอืมคือพระเนนครูบาอจารย์อยู่ทางนี้มันไกลมันไกลเราทางดรนน่ะเห็นเห็นเรามาตรงนี้ก็ชวยโอกาสเรื่องมันเนี่ยทางทองฟ้าภูมิเออยทางชนบุรีเออยหมู่เพื่อนเนี่ยยท่านยศอยู่นุ่งกับอยู่ใกล้ๆกนะครับบอลด้วยกันท่านยศ ทะมาหล่อพระเอาในเมื่อเราประจวบเหมาะมาพร้อมกันอย่างนี้เราก็ทำเอาหาที่หาที่นน่น น, น่ะนน่นน่ะอ่ะมีที่นั่งหรือเปล่า อ, าอา่ออ่าตรงโน้นร้ทางนี้ทางไหนนั่งได้จีดูสิอ่าอืมเอาไหม อเมริก <whales> า ข่าวช่างเอ้อนูอ่นเด <c oughs> อะฮังขมามิตุมแห่หิปิเมคมิตับบัง เอวังโหตุเอวังโหตุโยจะปุกเบปมัชชิตวาประชาโซนัปมัชติโซมังโลกังประพาเสติอภามุตโตวจันทิมายัสสะปาปังกตังกัมมังกุสเลนะปะหิยติโซมังโลกังปพาเสติอภามุตโตวจันทิมาอภิวารณัสสิิสันิจังวุฒาปจายนโนจัตตาโรธฉมมาวัฒนติอายุวโนสุขังภาลัง <c oughs> เอากาบสิกาบกาให้เสร็จกาบให้เสร็จแล้วขึ้นมานั่งข้างบนเลยอ่ า, าอ่าขาจะได้มาทอดปลาป่าเอาขึ้นนั่งข้างบน เอาเก็บทีนี้เก็บอืมอืมเนี่ยมรู้เก็นวะเด็กของเครื่องอะไรไม่รู้เลยนะนี่ชห้าตั้งใจนะครับอไปเอาไปแลกถวายพระปาบพแม่ครับอ่าือ่ะมอือ S <S อะไรหืไว่าไงครับ สกุลจีวรังสัสสามิกังไม่หั่งปาปนัดติอิมังพังสุกุลจีวรังสัสสามิกังไมหังปาปนัดติอิมังพังสุกุลจีวรังสัสสามิกังไม่หั่งปาปนัดติการถวายผ้าบังสุกุลถ้าเผื่อเราไปพูดสังขัดสะนี่พระจะชักไม่ได้เพราะถวายเป็นสงพวกเราต้องเข้าใจด้วย เรื่องนี้หลวงตาท่านดูตลอดตอนช่วยชาติไเพราะเรายังจับหลักยังไม่ได้คือถ้าถวายผ้า ป, ป่าให้ท่านชักเนี่ยจะต้องสีระวันตัดสะไม่ใช่สังคัสระสังคัสระท่านไม่ท่านไชักชักไม่ได้ปรับอาบัตถวายแกสงไปชักนี่ปรับอาบัติ ถ, ตถ้าถวายแกสงแล้วก็ถวายมาเป็นกองกลางสงแล้วก็บางแห่งก็ต้องต้อ ง, อ, งอะไรนะ อปโกต้องอปรโรถึงจะถูกต้องแต่ว่าการถวายทานนั้นมีอะไรอีกไหมอ่ะในใบอ่อนใบแก่ยอดอ่อนยอดแก่ยังไม่ได้รัดเลยเนี่ยอะ <laughs> เดี๋ยวเราเร า, เราจะพูดเราจะพูด รายพูดทมเนียมให้ฟังไปเรื่อยๆก่อนถือว่าตะล่อมรวมมาพูดด้วยกันเนื่องจากวันนี้พวกเรามามีกิจกรรมหลายอย่างไปหล่อพระรูวเหมือนของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตาที่ยงเจริญแล้วก็พระประธานหน้าตักตะไลนะห้าสิบเก้าหรือหกสิบนิ้ว ที่โรงหล่อเดียวกันหน้าตักใหญ่เท่ากับพระประธานที่ท้ำเต่าอะปางเดียวกันปางมารวิชัยเดียวกันพอดีก็ประสานมาทางหมอแล้วก็พนวกหมอก็พนวกให้ด้วยกันสะดวกมากไปทำด้วยกันจระกุบายอาจารย์รู้ว่าเราอยู่ที่นี่ก็นัดกันมาพร้อมกันโดยเฉพาะ อ, อาจารย์สุวิทย์หลวงพ่อสุวิทย์เนี่ยไมใช่พรษาไน้อยนะสาสิบเท่าไรอาจารย์สามสิบสี่เนี่ยหลวงพ่อสุวิทย์เนี่ย ซึ่งเป็นน้องของผู้การสุธรรมเนี่ยอาจารย์สวิตเนี่ยอยู่วัดเขาฉลาดกับอาจารย์ป้อมอาจารย์ป้อมเคยไปอยู่ที่เราที่นุ่นสามปีสี่ปีมั่งนะอาจารย์ป้อมก็เลยคุ้นเคยกันนุน่นพี่ๆน้องๆ อ, อ, อะไรที่บ้านเราเคยไปที่บ้านแม่บ้านไรเพราะฉะนั้นเมื่อเช้าเราจึงทักทักไทยอืมแล้วก็มู่เพื่อนบ้วงแก้ว จันวาบัวแก้วเห็นเห็นเห็นว่าใกล้และก็มีโอกาสมาแล้วก็ได้ไปหลอพระด้วยกันเอพระนี่ท่านคงจะถึงกันเหมือนกันเนาะท่านย่งบอกกันมารวมกันได้ตรงนี้ตอนนี้อืมก็เลยตรงนี้ก็จัดอบรมด้วยสามวันสามวันรวมทั้งวันนี้เป็นสามวันสามวันสองคืนเราก็มาอบรมที่นี่วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายวันสุดท้ายนี่แหละ เสร็จตั้งแต่ตอนนี้ไปแล้วเราก็จะไปหลอพระเราจะไปหลอกพระนะแล้วก็มีการคารวะตามธรรมเนียมในภรษราผิดหรือไม่ผิดถูกหรือไม่ถูกยังไงก็ตามแต่ในพรรษาเนี่ยธรรมเนียมเราไปไปมาหาสู่กันไปขอคารวะอาจาริเยประมาเดนะเทเรมหาเทเรประมาเดนะอันนี้ในกรณีที่เราไปกราบเยี่ยมกันในกรณีที่เรานานๆเจอกันเราขอคารวะ ในกรณีที่เราผิดข้องมองใจกันขอครับขอคารวะขอเขอ้ามามันมีหลายวาระไปกราบเยี่ยมกันก็ขอคารวะได้มีโทระปะปังที่จะเดินทางไปที่อื่นไปต่างประเทศไปทำงานไปรับงานใหญ่ๆงานสำคัญสคัญๆไปคารวะครู บ, บาอาจารย์ก่อนถือว่าเป็นธรรมเนียมไม่ใช่ออจารย์เยประมาเดียนะก็ไปประมาทกับท่านทุกครั้งไม่ใช่การขอเข้ามาโทษกันนั้น มันเป็นวิธีที่อ่อนน้อมเข้าหากันเปิดใจให้แก่กันและกันเพื่อที่จะไปมหาสู่กันคนเราถ้าหากปิดหัวใจแก่กันและกันเนี่ยพฤติกรรมมันไม่ตรงไปตรงมาแล้วมันบิดมันเบี้ยวมันนุ่นมันนี่ปากว่าตาขยิบแอบมุกมุมิบมแอบเลีนทาว่าร่ายกันอะไรกันนานกิเลสมันแทรกเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นวิธีนี้มันเป็นวิธีที่เอาวิธีธรรมมาสกัดเอาไว้สกัดกิเลสในหัวใจ หัวใจของคนคนกิเลสมันเต็มแปร่อยู่ในนั้นไฟมันแรบแรบแรบแรบ แ, บ แ, บแบออกมามันพร้อมที่จะออกออกมาอะไรออกไปหลนคนอื่นหล น, น, น, นคนนั้นเผาคนนั้นเผาคนนั้นถ้าเป็นน้ําเดือดเดือดพล่านอยู่ข้างในเนี่ยพร้อมที่ลักไปทับถมคนนั้นทับถมคนนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วมันชุ่มเย็นมันอย่างอาจจรยเยประมาะเดนะนะเนี่ยเหมือนกับพวกเราอยู่ในนี้เนี่ยถูกหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันหมดนี่คือวิธีของธรรม ไม่ใช่มาเพื่อศาสตร์น้ําร้อนแตกประสานชานเซนกระจัดกระจายไปหมดไม่ใช่แบบนั้นวิธีการโดยทางธรรมเป็นอย่างนี้หลังจากเราขอขามาเสร็จแล้วก็มีการถวายพระป่ า, ปาที่หมอเขาปารบถวายพระป่าและเอาชื่อท่านตามาออกเพราะอะไรเราะปีนี้หมอเขาจะไปทอกรถินวันที่สิบสามพฤศจิกาเนะี่ยวันอาทิตย์สุดท้ายของการกรถินแต่วันรุ่งขึ้นเป็นวันลอยกระทงนะเดือเนเดือนพฤศจิากาเนี่ย พราะฉมันเพถึงปรารถนถึงตทำแบบทําแปลอะไรเองอแล้วก็ไปทําโอ้ล้านสองล้านมาอยู่แล้วมีคนก็าฝากให้เราแล้วคุณธนาสริริให้เรามาก่อนแล้วสามแสนเศษเราไปทําอะไรได้แค่นี้ <c oughs> คุณธนาศริเขาปรเดิมไว้ก่อนแล้วธนาศสิืมยังยังไม่ได้ไม่ได้บอกเขาเลยซ้ําไปมันไปขึ้นอะไรได้มันขึ้นไม่ได้หรอกสามแสน สองสามล้านมัรู้จะอยู่เปล่ามันรู้เพราะว่ามีโรงครัวก็ส่วนเท่ากับโรงครัวเดิมแล้วก็มีโรองอาหารอีกโรงหนึ่ง20่สคูณสิเมตรเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทําไงของในโรงครัวมันแออัดมากไม่รู้จะเอาไปทําตรงไหนและจะเอาอะไรไปทําอาหารเลี้ยงพระประจําวันทุกวันเนี่ยก็เลยคิดวางแผนว่าไอ้ส่วนหนึ่งเป็นโรองอาหารสลับนั่งรับทานอาหารกันว่าจะไปทําโรงนี้ให้เสร็จซะก่อนเพราะโรงนี้ใหญ่ สิบหกเมตรคูณยี่สิบเมตรใหญ่กว่าสลาสลาใหญ่ของเรานะใหญ่กว่าสลาใหญ่เราอีกที่ ท, ที่ทานอาหารเดี๋ยวนี้เวลาคนเขาทะลักไปมากๆไม่มีที่นั่งทานอาหารเราต้องไปกลางเต็มไว้ตลอดการหน้าฝนหน้าแรงเราต้องไปกลางที่ไว้อย่างนั้นแหละไม่มีที่นั่งทานอาหารพวกเราเห็นพวกเราไปเราไปเห็นไม่มีที่นั่งแล้วก็อึ้บทึบแออัดอากาศไม่ปลอดไม่โปร่งคราวนี้คุณหมอวางแผนว่าจะให้มันโปร่งสักนหน่อยให้มันสูง มันทึบทือโพดมันอาจจะมันอาจจะเอาต้นไม้ออกบ้างแต่มันเป็นต้นไม้ที่เราปลูกและต้นไม้ที่ไม่ให้ผลไม่มีผลอะไรให้เลยฮะก็เลยเอาออกตรงหน้าห้องน้ําก็เอาออกหมดแล้วแถวหนึ่งยังเหลือด้านด้า น, ด, านด้านใกล้ๆโรงครัวเราว่าจะทําตัวนี้ให้เสร็จก่อนถึงจะค่อยทยอยเอาของจากในครัวมาไว้ในนี้มาทําในนี้แล้วค่อยไปรืออ้อนอนเพื่อที่จะเปลี่ยนลังคามันลังคามันผุหมดเลย ไปยืนดูจะรู้เลยแหละฮะไม่กล้าเดินไปเลยเดินไปเมื่รู้ตัวไหนมันผุปลวกมันเจาะกินข้างในหมดอ่ะบางตัวก็เหลือแต่เปลือกมันหย่อนมันยานลงมาตกใส่เก็บออกมันก็มีอย่างนี้ที่สําคัญที่สุดคือปลวกขึ้นปลวกขึ้นเขาขึ้นได้อย่างอิสระเขาลงได้อย่างอิสระอืมนี่คือที่เราทําเร า, าระมัดระวังเรื่องปลวกไม่ได้หลังจากทําไปแล้วเนี่ยมันเสียหายอย่างนี้แหละคุณท้าราอุตสาให้ ให้พวกปลวกเก็ไปฉีดน้ำมันฉีดอะไรอะไรมันเอาไม่อยู่หรอกมันเอาไม่อยู่เดี๋ยวนี้ก็เลยปล่อยปล่อยมันแหละเหลือเหลือเหลือแต่จะถึงเวลาที่จะเอาออกอทำทำทำครัวเนี่ยวันเนี้ยถึงมีการทอดผ้าป่านี่ยนะถึงมีการทอดผระป่าอิมังอีมานิมาอย่างพันเตอ่า บางทีก็ปังสุขูและจีวรานิสัพปริวรานิภิกขุสังคัดสะบางทีก็สังคัดสะบางทีก็ศีละวันตาาัดสะแท้ที่จริงอนิสงในการถวายทานนั้นท่านให้เล็งถึงสังคัดสะเล็งถึงสงถวายโดยส่วนบุคคลถวายส่วนสงเขาจะเรียกว่าสังฆท า, านสังฆท า, านมันมีผลเมียานิสงเพราะมันไม่เจาะจงเนี่ย ด้วยด้วยอานิสงฆ์เนี่ยอนิสงฆ์ของการถวายเป็นสังฆทานมีอนิสงฆ์มากกว่าแต่เดี๋ยวนี้ชาวพุทธเราก็เลยเข้าใจผิดมีคนถวายสังฆศะกลหลวงตาเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องศีลวันตระศีลวันตร ะ, ะแต่ต้องมีต้องมีวงเล็บค่อมเอาไว้ว่าในกรณีที่ถวายผ้าป่าให้ชักถ้ากรณีถวายผ้าป่าให้ชักเนี่ย สังคตสาไม่ได้สังคัสษาท่านไม่ชักท่านชักไม่ได้ท่านชักปรับอาบัติทีนี้ถ้าเผื่อสังคัสษาเราก็ถวายได้แต่ท่านไม่ต้องชักให้มันมีอ น, นิสงส์เป็นสังฆท า, านมีอา น, นิสงส์เป็นสังคท า, านตามที่พวกเราทราบถวายเจาะจงกับถวายไม่เจาะจงถวายเจาะจงอ น, นิสงส์น้อยกว่าถวายไม่เจาะจงถวายเป็นสง์เพราะฉะนั้นบางคนจึงอยากได้ ผลอนิสง์ของสังฆทานแม้จะเอาไปพวารณาใบเดียวเนี่ยเขียนไปถวายเราเนี่ยถวายเป็นสงถวายเพื่อสงเขาอยากได้อานิสงสังฆทานความหมายเนี่ยอืมตอนนี้สมัยล่องตาท่านพาธรรมท่านพาธรรมอย่างนั้นถ้าเผื่อต้องการให้ท่านชักจะมาสังขัดษามไม่ได้อืมก็เลยมีคําเปลี่ยนศีลวันตาสาวโนยมัมสาวโนพันเตศีละวาเนี่ยแต่พวกเราไม่ไม่เข้าใจ พเราแต่ว่าไม่ต้องอัปโลกศีลวันตสตนี้ไม่ต้องอัปโลกแต่ถ้าสังขศักต้องอัปโลกอัปโลกหมายความว่าแจกเพราะสังขสะมันไม่มีส่วนเจาะจงใครจะเอาส่วนไหนไปใช้ส่วนนั้นยังเป็นของสองอยู่ต้องเอามาปรโลกซะก่อนของส่วนหนึ่งตกเป็นของพระมหาเถรของส่วนที่สองเป็นของเคราะห์ข้าพเจ้าที่เหลือนอกจากนั้นเช่นอย่างพวกอาหารพวกอะไรนี่ตกเป็นของ สมมเารตกเป็นของครอหักให้พากันบริโภคใช้สอยตามความสะดวกสบายเธอหนี่หมายถึงหมายถึงการอัปโลกอัปโลกแจกสิ่งของแต่ที่บ้านตานั้นหลวงตาท่านพาทําแบบภาคปฏิบัติ เ, เวลาเขาถวายของมามากมเยอะแยะท่านก็บอกว่าเอาไปแจกกันเอาไปแจกกันนี่ท่านถือว่าเป็นภาคปฏิบัติถือว่าอัปโลกไปแล้วในตัวแล้วเอาไปแจกันเอาไปแจกกันหลวงตาท่านพาทำง่ายจริงนะไม่ต้องอัปโลกแต่ วัดอื่นวัดบางวัดเองเขามี ก, า, การกล่าวอภิปปลกเป็นกิจจลักษณะถ้าไม่มีการอภิปปลกพระไม่กล้าเอาไปใช้เพราะของนั้นยังเป็นของสงน้อมของสงไปเพื่อส่วนตัวปรับอาบัตมันมีความละเอียดไปอย่างั้นเพราะฉะนั้นพวกเราอยากได้สังฆทานอยากได้ทานที่เป็นสังฆะเราก็กล่าวได้ในกรณีที่ว่าไม่ใช่พระป่าที่ที่จะต้องให้ท่านชัก หรือบอกภาป่าบางอย่างท่านไม่ต้องชักสังัสะนโนยิอามะเราก็ถวายได้แต่ท่านไม่ชักแต่ถ้าต้องการให้ท่านชักศีลวันตัดสะยังไม่เช้าก็เหมือนกันแหละเมื่อวานเมื่อวานถวายสังัสักเราต้องอปโลกอาหารเมื่อวานแต่เมื่อเช้าเนี่ยศีลวันตัดสั อ, อตรงนี้ศีลวันตัดสะก็ได้น้อสังัสักก็ได้เนอ้เนอ เพราะเมื่อวานเราเห็นเป็นสี่องค์มันก็เห็นเป็นสังฆษัพแต่วันนี้หองศีลวันตัสสะ <laughs> แท้ที่จริงท่านพูดถึงอเนสงของการถวายสังฆทานมีอเนิสงมากกว่าปาติปุคคลิกทานคือทานเจาะจงเฉพาะบุคคลอันนี้เราพูดพอเป็นข้อคิดสำหรับพวกเราพวกเราที่เป็นแกนนาในการทา คือทำให้ถูกต้องให้ทําให้เข้าใจอทําให้เข้าใจแต่ยังไงใครก็อยากได้บุญมากด้วยกันทั้งนั้นแหละนอกจากว่ามันมีวิธีว่าอา้าวถวายเจาะจงถวายไม่เจาะจงอถวายเจาะจงก็ตามถวายไม่เจาะจงก็ตามผู้ถวายสําคัญที่สุดก็เหมือนอย่างวันนี้ทุกคนเป็นผู้ถวายผู้ถวายจะต้องตั้งใจมาดีแล้วทายาทำเราได้มาดีแล้ว ไม่ได้ไปกองไปบิดไปเบี้ยวไปอะไรตอะไรใครมาทํานี่คือบริสุทธิ์เบื้องต้นบริสุทธิ์ขณะให้มีมีความตั้งใจดีขณะให้อแล้วก็ให้เสร็จแล้วให้เสร็จแล้วไม่คิดเสียดงเสียดายไม่ดูที่มือท่านท่านจะหยิบอะไรไปหรือท่านอาพยนต์กองกองกองไว้ท่านจะใช้ของเราหรือไม่ใช้ของเราเราะถือว่าเราถวายเสร็จแล้วเราได้บุญเต็มเปี่ยมแล้ว ต้องถึงพร้อมได้สามการการก่อนให้ต้องดําริดีดําริดถูกทายาธรรมถูกในขณะให้ตั้งใจให้ดีตั้งใจให้ถูกไม่คิดอ ก, กัสรเพิ่มเติมถวายเสร็จแล้วไม่มีอ ก, กัสรเพิ่มเติมท่านจะใช้ให้เราท่านจะไม่ใช้ให้เราก็ตามแต่บางคนดูตามมือท่านจะหยิบของเราเปล่านอไม่หยิบแป๊วใจแล้วแหมอุตสาหไปทอด อันนั้นมาอย่างนี้เอาซาไปต้มยำ ม, มาอย่างดีแหมท่า น, นไม่หยิบให้เราช้อนเลยแป้าใจนี่เป็นอกุศลเกิดมาทีหลังเมื่อก่อนนั้นเป็นกุศลเต็มที่แล้วแต่เรามาปล่อยให้อกุศลมาแทรกทีหลังนี่ชาพูดเราเนี่ยถ้าศึกษาตรงนี้ให้เข้าใจเนี่ยมันจะไม่เสียในสิ่งที่ไม่ควรเสียและมันมีแต่จะได้ได้ได้ได้ไ ด, ได้สิ่งไม่ควรได้ถ้ารู้ฉลาดเอาได้ แต่ถ้าเราปล่อย อ, อากุศลมันมาแทรกสิงใจเสียก่อนล่ะมันก็ถูกบินไปแล้วบิดไปแล้วเบี้ยวไปแล้วอืมมันเบี้ยวไปแล้วคือแทนที่จะได้ผลเต็มที่มันเกิดอกุศลอย่าลืมว่าอกุศลนีนนน่มันเกิดขึ้นตามหลังนี่เราต้องดูให้ดีเอเราสารถวายนั้นไปใช้ให้เราหรือเปล่าเนอแมมผิดเป้าประสงค์อีกแล้วเป้าใหญ่เสียใจอากุศลใหม่มันเกิดขึ้น ทีแรกกุศลมันเต็มแปรมาถูกต้องอยู่แล้วนี่คือรักษาไม่ได้เราเราต้องรักษาน้ําใจของเราให้เสมอต้นเสมอปลายก่อนให้ขณะให้ให้เสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราทำพัดส่วนมนุ์ท่านจึงให้คิดถึงผลบุญที่เราทําผลบุญที่เราทําดีแล้วเราลึกถึงผลบุญนั่นนั่นนั่นนัเราไม่ได้ไปคิดเสียดลงเสียดายตามหลังอันนี้เป็นเรื่องของทายกผู้ให้จะเป็นทานเจาะจงก็ตามไม่เจาะจงก็ตาม คนให้สำคัญที่สุดไม่งั้นก็เดี๋ยวจะไปเพิ่มอกุศนเกิดขึ้นมาตามหลังจริงอยูจิงยูเนื้อนาบุญเนื้อนาบุญก็ต้องพร้อมเนื้อนาบุญท่านก็ต้องดูคนที่เราให้ทานถ้าคนมีคุณธรรมมากเราก็ได้มากคนมีคุณธรรมน้อยเราก็ได้น้อยคนไม่มีคุณธรรมเลย เป็นคนเก็บมะเรเกเรอันตพานก็ยังได้อยู่ไม่ถึงก็เสียเปล่าแม้แต่ให้กับสัตว์เดริชานไม่รู้อินหร์เหนื่อย เ, ยเลยใส่ไปแต่มันต้องการมันอูดจุบจ๊บชจุบจ๊บชักุ๊บชับบมันก็มีผลอันนี้ส่งของการให้ทานแต่ถ้าหากเราให้ให้โดยการเล็งว่าทักขณะยบุคคลทักขณยบุคคลหรือเนื้อนาบุญเราเล็งเนื้อนาบุญพระพุทธเจ้าท่านทรงสารเสริญว่าคนฉลาดเหมือนกับคนที่จะปลูกพืช ปลูกในที่ดีดินดีน้ําดีอากาศดีปุ๋ยดีพืชนั้นมันก็จะเจริญงอกเงยได้ดอกได้ผลอย่างคุ้มค่าให้ผลเป็นสิบสิบเท่าเงี้ยกับกับที่เราเอาพืชไปปลูกในที่ที่น้ําก็ไม่ดีปุ๋ยก็ไม่ดีมีแต่หินแห่หินกี้กรวดเนี่ยแล้วอะไรมันจะขึ้นผลถ้าเป็นข้าวก็จ้องง้องเม็ดรีบรบจะเอาอะไรมาเป็นผล คือเราต้องการบุญมากเราก็ทำกับคนที่มีบุญมากเป็นสงของพระพุทธเจ้าอ่าสุปฏิปันโนสามิปฏิณัมอุชุปฏิปันโนยายปฏิปันโนสามิปฏิปันโนอ้าวนโยปาวนโยรักินาโยอันเจริกรณิโยเป็นผู้ควรให้ทานเป็นผู้ควรกราบควรไหรว้ควร น, น้อมนึกระลึกถึงบุญถึงคุณพุทธเจ้าท่านประทับตราไว้หมดอยู่ในนั้น ว่เราชาวพุทธพยายามศึกษาให้เข้าใจกันแล้วกันมันไม่มีแหละที่ทําไปแล้วไม่มีใครอยากได้บุญไม่มีทําไปแล้วกต้องอยากได้บุญกันเท่านั้นเราศึกษาองค์ประกอบนี้ให้เข้าใจโดยเฉพาะผู้ที่เป็นแกนนําเป็นทายกเป็นผู้นําต้องพยายามแนะนําให้เข้าใจให้ถูกต้องบางทีทายกในถิ่นหนึ่งก็ว่าอีอย่างหนึ่งพระในถิ่นหนึ่งก็ไปเกี่ยวข้องกับทายกอีกอย่างหนึ่งพอไปเจอทายกอีกที่หนึ่งก็ไปอีกอย่างหนึ่ง ไปจะต้องรู้จะต้องเข้าใจกันถ้าเราศึกษาหลักษากรได้เราจะไม่ผิดกันเราจะทำถูกกันได้หมดเพราะฉะนั้นศาสนาธรรมต้องศึกษาต้องศึกษามีเรื่องเรื่องมากมายที่เราจะต้องศึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมของตัวเราให้เป็นไปตามทำตามวินัยให้ตรงถูกต้องเป็นสุปฏิปันโนปฏิบัติดี อุชูปฏิปันโนปฏิบัติตรงแน่วต่อศีลต่อธรรมต่อวินัยของครูที่เจ้าอยาอยายะปฏิปันโนสามียิปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบับติชอบอืนั่นแหละสองเหล่านั้นแหละจึงเป็นผู้ที่ควรด้วยของตอนรับควรด้วยการขำนับควรด้วยการกราบควรด้วยการไหว้ท่านให้กำเนิดกันหลวงปู่เขียนท่านสอนว่าถ้าเรามีทรัพย์มาก เราต้องการแจกทานใครผ่านไปผ่านมาแล้วแจกหมดนี่แสดงว่าเรามีทานมากใครมาก็ไม่อดไม่อัดแต่ถ้าเรามีทานจำกัดท่านให้เลือกควรจะให้ทานให้ควรจะให้แก่บุคคลที่เห็นว่าจะได้ผลได้ประโยชน์มากแต่ถ้ามีน้อยเราก็ควรจะเลือกถ้ามีมากเราไม่ต้องเลือกใครมาแล้วก็แจกใครมาเราก็แจกใครมาล้วก็แจ ก, แ ก, แจกอันนี้คือเงื่อนไขที่ครูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดมันก็จริงอยู่อย่างนั้น ถ้าว่าเรามีอะไรของอะไรดบดีติดติดไม้ติดมือมาเอ๊ะทาไงไม่มีแบบคนที่ไม่ไม่อยากได้ผลได้อานิสงส์มันมีอย่างดังกล่าวนั่นแหละเราก็ค่อยเล่นอ่คนจะเป็นใครบางทีพระกุบายัญนั่งมากไม้เยอะแยะถือปั๊บปั๊บ๊ไปไปวางใส่มืออีกคนหนึ่งนี่โอ้โหแม้แต่คนรับก็ยังเขินๆอยู่บางทีหัวหน้าก็ไม่ได้ถวายก็ต้องมาถวายปั๊บปั๊ปถูกใจองค์ไหนก็ปั๊บใส่หอมพื้น ต้องรู้จักวิธีถวายด้วยไม่งั้นเราก็เขินท่านก็เขินหมู่เพื่อนอยู่ในนั่งเขินหมดเนี่ยัญหาไม่หมดทุกอย่างแหละอืมอันนี้ก็เป็นหลักาศาสนาพิธีว่าทำไงเราเกี่ยวข้องกับพาศาสนามันจะต้องมีวิธีมันจะต้องมีพิธีพิธีเหล่านี้เราก็ส่งไว้ด้วยถ้าเป็นภาคปฏิบัติแล้วเราไม่ต้องมีพิธีดีต่ออะไรมากเหมือนอย่างลงตาท่านแจกสังฆทานั่นแหละ เอาไปเจกกันเอาไปเจกกันท่านไม่ต้องมายักเทพันเตไม่ต้องม า, าประโลหลุงตาท่านถือเอาวิธีปฏิบัติเนี่ยเช่นอย่างอาหารเอาไปมากมายเยอะแยะไม่ต้องกล่าวคําถวายเอาไปใส่มือท่านเลยไปถวายท่านรับรับรั บ, ร บ, ร บ, รบนั่นแหละคือปฏิบัติแล้วเราไปกล่าวคําถวายมากมายเยอะแยะถ้ายังไม่ถึงมือท่านท่านก็อดอยู่นั่นแหละ <laughs> ท่านเอาตรงนี้เลยรับรัดเอาตรงนี้เลยแต่ถ้าเราทําแต่อย่างนี้อย่างเดียว คนสุดท้ายภายหลังไม่รู้ไม่เห็นทําไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราต้องมีทั้งสองอย่างมีทั้งภาคปฏิบัติมีทั้งาภงาคศาสนาพิธีเพราะพระศาสนาเราเนี่ยอยู่ไปแบบถ้าไม่มีใครทําตรงนี้ให้เกิดความการะเจิงแจ่มแจ้มันก็จะทําให้ระศาสนาของเราเป็นหมือนันนั้นก็ถูกยกเลิกอันนี้ก็ถูกยกเลิกอันนั้นก็ถูกยกเลิกเราเองเป็นผู้ประสิทธิ์ผลนะ เราเราเองเป็นผู้ไม่รู้ผลไม่ได้รับผลจากสิ่งเหล่านั้นเพราะเราทำไม่ดีเราทำไม่ถูกแล้วก็เราทาไม่เปลี่ยนเราทอดทิ้งพระศาสนาเหมือนกับเป็นของดีของดีแต่เราไม่ได้ประโยชน์จากพระศาสนาเพราะเราทำไม่เป็นเราทำไม่ถูกและยิ่งไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสศรัทธาด้วยแล้วเนี่ยโอ้ยยิ่งเดินห่างเลยเลยแหละนู่นนิพพานอยู่ข้างหน้านั่นหันหันหลังให้ ในเมื่อเราหันหลังให้เรายิ่งเดินไปมันก็ยิ Tax ่งไกลออกไปไกลออกไปไกลออกไปอย่าลืมว่าพระศาสน า, าเนี่ยทายาทีคือมันดวงประทีปที่ใหญ่ถ้าเรายิ่งไปเข้าไปใกล้เท่าไหรเนี่ยความสว่างจากดวงประทีปมันก็จะส่องให้เราเห็นเห็นเนื้อเห็ น, ห น, หนตัวเราหมดแต่ถ้าหาเราหันหลังให้ล่ะเรายิ่งก้าวไป <c oughs> ข้างหน้าเท่าไหร่มันก็ยิ่งห่างออกไปห่างออกไปแสงสว่างที่เคยพอจะเห็นรางๆอยู่บ้างหายเาไปหายไปหายไป หายไปมืดตึบจนมองไม่เห็นตัวเองนี่คือจิตดวงนั้นจะกลายเป็นจิตมิจฉาทิฏฐิหมดทั้งดวงบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ไม่รู้เรื่องวัดชอบใจทําเอาชอบใจทําเอาชอบใจคือเจ้าตัวร้ายเจ้าตัวมารเจ้าเจ้าจอมของวัตจจับนะเจ้ากิเลสเจ้าตันหาที่มันครอกอยู่ในหัวใจนี่มันเสกเสกเสกเสก ส, สารให้เราทําอะไรตามใจชอบตาม ต้องะไรที่อิสระที่สุดอะไรที่อิสระที่สุดให้เป็นที่ชอบใจที่สุดมันก็จะพาทําอย่างนั้นแหละมันจะปีนเปรียวกับ <ogram> <prayed towards injury> <mean inya> สิน sort ก of ับธรรมก็ตามไม่คํานึงว่าผิดศินไม่คํานึงว่าผิดธรรมขอให้ชอบใจขอให้ชอบใจตามตามได้หมดแต่อย่าลืมว่าถ้าปีนเปรียวกับสินกับธรรมแสดงว่าพฤติกรรมที่ทํานั้นอาจจะไม่ค่อยเป็นสินเป็นธรรมแล้วในเมื่อพฤติกรรมไม่เป็นสินเป็นธรรมแสดงว่าเราไปทําเหตุเพื่อความไม่ดีและผลที่จะส่งมาละ จะมีผลดีๆที่ไหนส่งมามันก็ต้องต้องเป็นผลชั่วร้ายเร่าร้อนตามมาก็เหมือนอย่างเราไปผิดศีลเราไปผิดธรรมนี่แหละอืมเราผิดศีลก็ดูที่ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสีข้อห้าอศีล ส, สิบของเนรเนศศีลพระสองยี่บเจ็ดในเมื่อเราผิดในเมื่อเราผิดศีลรแล้วนึ่เท่ากับเราปีนเกลียวกับข้อปฏิบัติเพื่อคุณงามความดีเอามาสู่ตัวเองอ่าเราทำานั้นลงมือทำผิด ลงมือทำเห็ดทําน้นทำาน้นทานี้ทานี้ทานั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องปีนเกลียวคือไม่ถูกศีลไม่ถูกทำผลที่มันจะตามมามันเป็นผลรายได้ของกยเลตตันหาทั้งหมดมันไม่เคยเอาความสุขมาให้ความสุขของมันมีนิดๆหน่อยๆประเดียวประดาวมันล่อเหมือนกับเหยื่อที่ปลายเบ็ดปลาที่มันจะงับเบ็ดนะมันไม่ตั้งใจจะงับเบ็ดมันต้องเห็นเห็นเหยื่อแล้วมันโยมงับอ่า เบ็ดเกาะเสแล้วบางตัวมันตีกินเนี่ยปากปากมันไม่ได้เยื่อมันไม่ได้อยู่ที่ปากของมันซ้ําเยื่อก็เด่นออกไปอยู่ข้างบนนู้นแต่ตัวปากมันอ่ะมันอา่ามันถูกเบ็ดเกาะเสแล้วสิ่งที่เราทําเหตุไม่ถูกต้องผลตามมาก็คือความทุกข์เปรียบเสมือนว่าเบ็ดมันเกาะปากเราดิ้นจนปากฉิดฉีกดิ้นจนปากหลุดถ้าดิ้นหลุดปากฉีด ถ้าดินไม่หลุดก็เหมือนถูกทับถมตัวเองอยู่อย่างนั้นเป็นกลับเป็นกันเหมือนกับปลาที่ถูกถูกเจ้าของมาเห็นดึงไปแลป้วก็ปอกๆปิ้งยา่างก็มีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราศึกษาให้รู้ให้เข้าใจจึงจะเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์เกิดผลแก่แก่กันและกันอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบตัติเป็นแนวปฏิบตัติเราพูดถึงทานเราก็พูดถึงเรื่องศีลแต่เรื่องเรื่องภาวนาเราเราไม่ควรจะละไม่ควรจะเว้นไม่ควรจะลืม เรามาอบรมตรงนี้3วันสองคืนก็มีทั้งสเประแล้วก็มีทั้งเรื่องปฏิบัติรับพยายามพูดแนะนําอย่างนั้นอย่างนี้กิเลสขึ้นอย่างนี้เราแก้ด้วยวิธีอย่างนี้กิเลสขึ้นตรงนี้ตั้งอยู่อย่างนี้ดับไปอย่างนี้ทําอย่างนี้ธรรมะจะเกิดขึ้นทำอย่างนี้จะแก้กิเลสตัวนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็พยายามแนะนำแกันนี้บอกวิธีตั้งใจรักษาศีลตั้งใจทําใจให้ได้รับความสงบ ทำให้สงบทำไมพิจารณาเกิดปัญญาให้เกิดปัญญาทำไมรเราก็มาเล่นกันอยู่อย่างนี้แหละแท้ที่จริงการรวมไปแล้วคือศีลสมาธิปัญญาเป็นข้อปฏิบัติเพื่อพ้อนทุกข์ในวัฏสงสารที่พุทธเจา้าท่านทร ง, งแสดงเอาไว้ในธรรมจักรพรรษสูตรเมื่อคืนก็พาสวดสวดเลยนะเมื่อคืนเพราะเมื่อคืนพาอยู่ตึ้งหกทุ่มสวดธรรมจักรสวดอนัตตลกนณสูตรสวดอธิตปริยายสูตรนะสวด มงคลจั ก, กรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชส ว, สวนวิสีวิธีแผ่เมตตาที่พิสดารเมื่อคืนแล้วก็ธรรมพัตส่วนมนวนสวดสวดพิจารณาพิญหาปัจจเวกก็เสียเวลาไปเยอะชั่วโมงกว่าละหลายบทหลายสูตรพอดีกับเวลาที่เราจัดเอาไว้พอหลังจากเลิก6ทุ่ม พอถึงหกทุ่มปั๊บเราก็บอกให้รู้ว่าเออพวกเราชนะแล้วชนะแล้วมันลุกเป้าประสงค์แล้วที่แรกว่าจะอยู่เนสัชชิกทั้งคืนก็เลยผ่อนผันเหมือนมาเหลือแค่หกทุ่ ม, มก่อนเลิกเมื่อวานเราก็บอกว่าใครไปเนสัชชิกต่อใครเนสัชชิกได้มาบอกเราเราจะให้รางวัลนั่นไม่มีมีคนหนึ่งที่มาบอกเราว่า เขาไม่ได้เอาหลังแตะพื้นเลยหมายถึงพื้นเดินหรือพื้นนอนไม่ได้เอาหลังแตะพื้นก็แสดงว่าไม่ได้ น, นอนแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าไปแอบแปะผนังหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เราไม่มีรางวัลอะไรให้เราแตให้ตามไปเก็บเอาก้อนหินที่วัดเพราะก้อนหินเยอะ <c oughs> เราพูดพอเป็นต ล, นตลบครบขันอพอได้คติตัวอย่างพอสมควรนะม้าแล้วก็ให้พรนะให้พรเพราะเราอยู่ใกล้อยู่ไกลตั้งใจรับพรแลวก็งานใหญ่นะงานหล่อพระไปตั้งใจอุทิศไปตั้งตั้งใจอุทิศไปตั้งใจระบุตั้งใจเจาะจงตั้งใจสร้างตั้งใจทารูปปั้นครูบาอาจารย์ รูปปั้นของพระพุทธเจ้าล้วนจะเป็นองค์เจดีย์ใครเห็นแล้วเราดึกรู้สึกถึงบุญถึงคุณของท่านเกิดประโยชน์เกิดอา น, นิสงส์ไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เท่า น, นั้นมากราบมาไหวเทวบุตรเทวดาเขาก็มากรามาไหวเราตั้งใจอธิษฐานให้ดีแล้วก็ไปหล่อพระมีวันนี้ไปหล่อพระช่วงไหนไม่รู้บ่หนึ่งหรือบ่สองตอนไหนก็ไม่รู้แต่แต่เขาบอกว่าตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงบ่ายสามเสร็จตอนไหนก็คือหมดตอนนั้นหลยนะ เอาให้พรให้พรให้พรคณะสงฆ์เอ่อให้พรเอาหนะ่ะพวกนั้นกลืนเข้ามาหนะ่อยเข้ามาไหมไปเรียกมันมาที่นน่นให้มันมาข้างหลังก็ได้นุน่นนุนาา่นน่ะพวกนั้นจะเอาเงินมาให้หลายแสนนั่นนะ่ะนุนน่นเอ่อนุน่นไหนมากี่คนเนะ่ยเห็นหนึ่งสองสามมาป๋องก็มาเหรอใครเปรมก็มา อ่านี่พวกนี้สองสามสี่คนได้ไปหลายแสนแล้วนี่ <laughs> ใจใหญ่แนละ้วนะ่ะไปสร้างบ้านนกดาวกุฏินกดาวที่ทํำเตาให้เนี่ยอเขารวบรวมไปไปสร้างกุฏินกดาวหมดไปสามแสนกว่าเขาเหลือเงินสองแสนกว่าเอกเลยให้เอามาช่วยหมอเนี่ยแล้วที่ตามมาหลังใหม่เนี่ย ค, คนไหนนั่นฟองด้วยเปลมด้วยอะไรด้วยคงจะได้อีกหลายแสน <laughs> เดี๋ยวตามไปหลอ่อพระด้วยกันนะอือันนี้เป็นทิธแน่เนี่ยไปบวชที่เราเนี่ยน ะ, <c oughs> ะตั้งจใกทิธส่วนบุญไปยะทาวาริวาหาปูราปริปูเรนติสาขรังเอวะเมวิโตทินนังเปตาหนังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวสมิ ช, ชตุสเพปูเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยะทานมณิโชติระโสยะทานเฮีเวิวัชนตุสาภโรควินาสตุมาเตม โอเคที่ายก่อภาวะอภิวาสนาสีสันนิจจ์นุธาปัญญาน้อยจตารณ์ทันติอายุวันน้อยโฉขพลอัก กตเวปัสนนานังอาการธรมมงวิจาระตังอาเกพุเทปัสนนานังอินัยนุตรอาเกธรรมเอปัสนนานังวิรากปสะเมโสเคอาเกสังเคปัสนนานังปุญญเกตนุตร อากาศสมิงดานังดานตังหากางพุญญาประวัติเตะอากางอายุจวันโอจายาโสคิเตสุข no ังบาลังอากาศดาทเมทาวีอากธรมสะมมาหิตต เดวะโหโตมโนสวะอา a าปโตปมอดิติเดมภวตุสาปมังกาลังปเดวตาสามบาวุธานุภาเวนาสดาโสทิพวรรณโเตภาวตุสาพมังกาลังราคันโตสาปเดวตา สาบาธรรมานุภาเวนาสดาโสติภาวันตุเตภาวัตุสาบมังกลังราคันตุสบบาพเ ด, ดวตาสามบสังฆานุภาเวนาสดาโสทิภาวันตุเตรูปเหมือนหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตาที่เราจะไปรอวันนี้ จะเอาไปประดิษฐานที่เจดีวัดป่าบัวแก้วซึ่งตอนนี้หมอที่โน่นกําลังสร้างเจดีเนี่ยหลอ่อหอวันนี้จะเอาไปประดิษฐานที่เจดีเจดีนี้สร้างหงุทิศถวายแดดสมเด็จสังคราชสมเด็จพระสัตร์ยาณสังวรสมเด็จสังคราชและพระปางมารวิชัยหน้าตัก59้าหรือหกนิ้วเนี่ย เอาไปที่วัดสวนมะขาม ว, วัดอาจารย์ยศนะวันนี้ก็คณะสงของท่านก็มาแล้วก็ศรัทธาศรัทธ า, าก็มานั่งอยู่ไหนก็ไม่รู้อา่าไปพวกเรามีส่วนไปร่วมบุญก็ไปไปทำบุญไปให้ได้บุญด้วยกันนะเอาไปตั้งไปกราบไหว้ไหว้เป็นที่กราบไหว้ของพุทธบริษัททั่วไปแก่นุษย์แก่เทวดาแล้วก็มากราบมาไหว้ได้ แล้วก็เป็นอนุสอ์เทิดพระเกียรติสมเด็จสังฆราช ด, ด้วยเจดีที่วัดป่าบัวแก้วหมอจะทําให้เสร็จภายในหนึ่งปีหนึ่งปีครึ่งนะใครยังไม่เคยเห็นก็ไปดูที่วัดป่าบัวแก้วอําเภอท้องผาภูมิมีที่พักมีอะไรอากาศดีเป็นวัดเล็กๆหมอไปสร้างแค่ปีเดียวก็เสร็จอแล้วท่นทันทีไปอยู่ดูแลอยู่นั่นแหละปลูกปลา เต็มไปหมดนะตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ก็ปลูกเจดีด้วยเจดีก็คิดว่าจะขึ้นมาแล้วจะเหลืองอารามแล้วจะทาสีทองหรือองอารามเหมือนชเวดาก่องความหมายมองไปอย่างนั้นนะไปช่วยดูกันนะใครมีเวลาไปได้ก็ไปวันนี้มีอะไรหมอมีอะไรอีกเออไปทานข้าวที่ลงหลออืมอ เตทเล่นเราจะไปตรไหนพระเราแล้วพระไปก่อนบ้างมีไหมถ้าไม่มีก็ีจ ะ, ะมีตอช้าจะมีอออ่าลอดอ๋อไม่ไม่ได้รลอที่เดียวกันอที่ัองอเหอเสร็จแล้วเราก็ไปอนอืมอืม อื ม, อ ม, อมโอ้400ที่นะนี่มาเนี่ยถึงร้อยเปล่าเนี่ยอ ะ, อะไปเป็นร่วมบุญกันแล้วรถลาการไปกันมาอะไรก็ไปกันใครไม่มีรถเดินไปก็แล้วกันไม่ไกลดอกอืม หมูลรามเปล่าเนาะหมูเราเนี่ยก็บรยกันนี้เป็นถวายก็งัอะไรครับอะไรครับอะไรครับอะไรครับ